เออเรื่รงท้องกันเราอยากบอกอยากสอนอะไรที่มันถูกต้องอะไรที่มันผิดขอให้ได้ทำหน้าที่ให้ให้มัน ถูกต้องซะหน่อยชีวิตคงไม่ยืนยาว <c oughs> จึงไม่เพกืกอนฟังดูฟังแล้วอย่าไปเชื่อให้ออกไปถามหนูที่เราสวดขีดในวกรว่ากันแล้วอยานะ่ามี เป็นทั้งหมดของพรมจัรย์อะไรคือกันละาานามิตรงาได้ที่ไหนกันละาณนามิตรอย่างน้อยจะแดงออกต่อกันชื่อสัตว์ต่อกันอัยันไม่เกียิข้านในจิตการที่ช่วยกันอดทน ไป ท, ทำความดีและความชั่วต่อกันตัวจกเสียสละช่วยกันไม่ละทิ้งกันนยามบิบัตรตัวจกประหยัดอดตอนอย่าสุลุยสุลาลเพื่อจะให้มันมีส่วนเหลือที่ช่วยกันได้ยาวนาน ประหยชนทุกอย่างเม็ดดินเม็ดหินเม็ดทรายต้นไม้อากาศอะ ไ, ไ้เกิดความสะดวกข้องน้ำห้องน้าไม่สะอาดทาให้สะอาดเพื่อเพื่อนเราจะได้ใช้สะดวกพ่อพร อ, อะไรมันไม่เรียบร้อยเห็นผ้าเพื่อนตากอยู่มัน ลมพัดตกลงเก็บไว้ถ้าผ้าผืนได้ตากตัวสองวันสามวันครับเก็บไว้ให้รู้จักรับผิดชอบตั้งใจอยู่เสมอปลาถาดีอยู่เสมอไม่หงุดหงิดช่วยกัน เพียนพยายามไปมีทุกข์ก็อย่าทิ้งการดึงกันออกมาเขอให้ถูกต้องให้เขาพ้นจากทุกข์ถึงเขาที่เขาเจ็บใขรได้ป่วยช่วยกันให้เขาได้พ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือตรงหัดนี่รายอย่างคือกันแล้วย่านะมิตร ให้ทำให้ให้มันได้ตามทุกคนจะได้จะได้สะดวกไม่ขาดตกปกห้องที่เราไดอยู่ร่วมกันเพื่อนเราเป็นลูกของพ่อของแม่ก็ทำหน้าที่ให้มันดีซะเราเคยกดเคยเครองสคลายขึ้นดีซะ ถามใจเราเองเขาไม่รู้ไม่ชี้ก็ช่างเอาล่ะขอทัทวขอไปถ้าจะแผ่เมตตาก็แผ่ไปหาคนที่ทำให้เราได้เดือดร้อนโอยให้เขามีความสุขนี่คือหมวนนี้และคือกันละยาะนะมิตรนี่พวกเราก็อยู่ด้วยกันเท่ๆเนี่ยก็จะอะไรก็เผื่อกันบ้าง <c oughs> อยาให้ได้คนหนึ่งลาบากคนหนึ่งสะดวกไม่ใช่แบบนั้นฉันอีมแล้วคิดถึงคนที่ยังไม่อิม่มเรามีความเคร่งข็ ง, ข ง, ขงคิดถึงคนที่วนอ่อนเดที่อยู่ด้วยกันแม้จะทำไม่ได้ก็ต้องทำใจให้มัน มันว่าอย่างนี้ยากกันเดียงกันด้างการช่วยกันในพ้นจากทุกข์เป็นเรื่องดีมากเลยทีเดียวช่วยคนที่เพื่อนที่หลงให้ไม่หลงเนี่ยนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดทำซาอย่าให้เป็นงานข้างอยู่ยิ่งพวกรามาสู่ทำไว้หน่ย เป็นนักบวดในพุทธศาสนาศาสนานี้มีทำไว้ไหนนะเป็นศาสนาแทนพระพุทธเจ้าก็ยิ่งดีใหญ่ยิ่งดีนะถ้าศาสนานี้มีทำไว้ไหนอยู่มรรคนี้ผ่านก็ไม่ว่างจากโกกดังที่เราได้ศาขยายพระสูตร พิสูจนไหนธรรมวินัยนี้กายา ก, ากายกากายโนปสีวิหารติมีสติพิจนาเห็นกายในกายอยู่เป็นใบจอมนทําไว้ไหยเห็นอย่าไปหลงมันเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นใบจอมเห็นจิต แต่มันอยู่ที่มันจิตที่มันคิดอยู่เป็นประจําเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจําถนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียด้นี่คือธรรมวินยัยออกมาดึงตัวเองออกมาจากบ่วงจากโคลนจากตมจากปักหลัก จะจมบักอยู่ที่นั่นนี่คือทำไว้ไหนเร้จะขนส่งตัวเองช่วยตัวเองให้เป็นเวลามันหลงช่วยตัวเองให้ไม่หลงเวลามันโกรธช่วยตัวเองให้ไม่โกรธเวลามันเกลียดข้านช่วยตัวเองให้มันไม่เกลียดขานเวลาอ่อนแอช่วยให้มันไม่อ่อนแอ กิจใจมันทำได้ไึงแม้ร่างกายจะเท่าใจกแก่มันก็ยังมีกิตใจเข่มแข็งไม่รู้จะแก่ไม่รู้จะแ ก, ก, แก่ชีวิตมันบกพร่องอยู่อะไรก็อก็อยากจะทำ่ามันไม่มันไม่อิ่มในการทำความดีนี่นี่ทำมาวินยัยทุก เป็นทุกข์ไม่มีธรรมวในทุกข์กเห็นวันทุกข์ขนส่งให้พ้นจากทุกข์นี่คือธรรมวินัยวิเศษในเยอะนําไปพ้นแล้วตอนนี้เรียกว่าธรรมวินยัยเอื้อมมือถ้ามีธรรมวินัยอย่างนี้ธรรมวินัยเลียนนี้เหมือนคับาตดากำลังเอื้อมมือ ที่จะดึงเราแล้วก็เอื้อมมือไปหาโน้มมาใส่เราแล้วก็น้อมตัวเข้าไปมันอาศัยได้ทาฟังวิธยไหนะอาศัยได้เราหลงง่าอาย่ยคนอื่นไม่หลงเราโกรธคนอื่นไม่โกรธในตัวเรานี้ก็มี เวลาเราโกรธในตัวเรานี่ก็มีความไม่โกรธเราก็เห็นแล้วขณะที่เรามีสติไม่ไม่ได้ไม่ได้ปิดบังอะไรไว้นั่ก็ได้บทเรียนประสบการณ์ในการกระทาในการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ฟรีเ ป, เป็นกบเป็นกม อย่าน้อยก็ปีนี้ก็ก็ก็ก็พอ ก, ก็เห็นดีใจกับงอ ว, วันจบที่ปฏิบัติไปได้ถ้าจะพูดหรอกเนลูกเหมือนคนพูดถึงลูกโอ้ยลูกชายคนนี้ไปได้แล้วลูกสาวคนนี้ไปได้แล้ววางแล้วบ้นพ่อแม่ เขาไปกันได้แต่เขาต้องไปนะหยุดไม่ได้นะทํามาหาจินก็ไปเขาไปได้แล้วทํางานทํางานก็ไปได้แล้วนี่เรียกว่าว่างก็อย่างน้อยเราก็ได้ยินผู้ปฏิบัติพูดให้ฟังก็คิดว่าถ้าเป็นการงานก็ให้ทําเป็นแล้ว แต่งานไดแล้วนี่คือคือทำไม่ไรปฏิบัติให้ผลได้ไม่จำกัดการไม่ยอมจะไม่ก่อนปฏิบัติเกี่ยวกับหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนก็พูดถึงก่อนตาตอนนี้ ให้เราฟังเราก็กระตือรือร้นเขาก็คนเราก็ค น, คนขอสองแขนสองหัด เ, เรียบเทียบแข่งขันไม่ใช่แข่งแบบลุกตี้ลุกลน่นแข่งขันแบบอมยิ้มง้นอะอางนี้ มีคนติขินนินทาก็ะจะแดงอมยิม้มเงาละมีคนสนสนก็นฟังไม่ได้หลงเราว่าเป็นหลักเข้มแข็ขขขงของชีวิตเราทางใช้ชีวิตของเราลำดับลำนำการใช้ชีวิตอย่างแม่นยำชัดเจน อะไรเป็นงานเป็นการอะไรเป็นหน้าที่อะไรเป็นควาก่อนอะไรเป็นก่อนอะไรเป็นหลังให้ให้ให้ให้เรียบร้อยงานที่ทำเป็นประโยชน์เพื่อกูนต่อเพื่อนตอมิรก็ทำต่อทำก็ทำต่อวิไหนก็ทำ สนุกดีปฏิบัติธรรมมันบอกผิดบอกถูกตัวเองบอกผิดบอกถูกต่อคนอื่นมันจะเป็นเรื่องสนุกขนขนออกจากนรกไปสู่สวรรค์มันเป็นงานชอบที่สุดเลยทีเดียวไม่ปล่อยทิ้งแน่นอนขอ ข อ, อให้สุดฝีมือทําให้สุดฝีมือเห ม, มือนคนตกน้ําจะพยายามที่ช่วยว่ายน้ามไม่เป็นมันไปกลก็หาวิธีที่ทิ้งขอนม้ทิ้งเชือกให้เขาดึงเขาจะดึงไหมทิ้งเชือกให้เขาเขาไม่จบเชือกโอ้จอบเขาก็ไม่จบจะทำไงย มันก็เอาจนจนหมดความสามารคนที่หลงคนที่ทุกข์นะถ้าผู้ใดทุกข์ยังมีคนที่จะช่วยอยู่บอกว่ามันไม่ทุกข์นะอนไหนทุกข์นั่นมันไม่ทุกข์หรอกขอให้ได้ยินเอาไว้ดังนีน้ให้ได้ให้ได้มีกระแสไว้สักหน่อยหนะ่อยอย่าให้มันตัน เปิดทางอย่าปิดประตูเป็นผู้ไม่ปิดประตูจรงจะงเลยว่าพุทธวริสัตย์ปิดประตูตัวเองปิดประตูสวรคนิพพานมันหลงประตูแห่งไม่หลงเราจะโกนลออกมาสักหน่อยก็เวมหลงก็ขึ้นเปิดประตูโอ้ประตูเปิดแล้วถ้ามันหลงประตูปิดแล้ว เกิดมาเหมือ น, นกับนักพันดาสมุ ล, ลัยมาถามพระสงรูปหนึ่งว่าสวรร์มีไหมนรกมีไหมพระสองฆ์อาจารย์ก็ไม่ตอบโดตรงก็มอง นักสมุไยคนนั้นมองถ้ามองหลังมองเห็นดาบเพราะว่าเป็นอาวุธที่ฟันดาบนาทีก็ฆ่าเอาเป็นทหารด้วยหรือไงเป็นสมุไยนักฟันดาบเลยไมน่าจะโง่นี่นะคนงง่ขนาดนี้ก็มีเลย นักปัญดาก็ก็รออยู่แล้วโกรธขึ้นมาโกรธขึ้นมาชักดาบออกมาราความโกรธก็แสดงออกมาตามความเคยชินเหมือนคนโกรธก็กัดฟันหน้าบูดหน้าเบิงจับสัตาอาวุธ อาจารย์ก็บอกว่าโอ้ประตูนรกเปิดแล้วประตูนรกเปิดแล้วลองึ้นมามาฝันด่าก็ระยินโอ้กระทบกระทืบใ น, น ก, กิจใจประตูนรกเปิดแล้วประตูนรกเปิดแล้วจะเออตัวออกมาละวังถ้าฝันก็อาจจะ ก, กระโดโดออกไปสักหน่อย โอ้นคปัญดาวโอ้ดาวเข้าฟักอาญานก็ลองกันอโอ้ประตูสวรรค์เปิดแล้วถ้าโน้มตัวเข้าไปขานักปัญดาวประตูสวรรค์เปิดแล้วประตูสว่างเปิดแล้วหรืสุดนักปันดาวสมุลอยก็พอใจจากหน้าโบสถ์ ใบหน้ายิ้มแย้มแข้มใสด้วยความภาคภูมิใจที่ได้รู้เรื่องนี้ว่าสวรรค์คืออะไรนรกคืออะไรนี่คือคำสอนที่เป็นแบบเสนแบบเสียงเอาแบบชับพัน อะไรยอดโยมทัองรอยาดโยมทํงาทงบุญให้ทานแล้วสาชินจะได้ไปสวนนี้เพานอันนี้มันไม่ไม่ม่แบบเสนมันยืดยาวเสนเราสอนแบบเสียงๆตรงๆแต่ว่าเอาให้มันตลบัดัดกับตลบบัด นี่คือเราก็ตะโกนบอกเราวเวลามาหลงตะโกนออกมามันดั ง, งก้องหลงคนดั ง, งก้อไม่หลงคนดังยิง่งเราไม่วิชากรรมฐานเข้าไปแล้วเอาไว้ว่าเราจะทำงางจิตใจทงางไหนหดเข้าหรือว่า เปิดออกปิดตัวยังไงหลงหลงหรือเป็นหลงเลยปิดตัวที่ว่าเป็นผู้ปิดประตู <c oughs> ต้องมาหลงเปิดออกมาเหมือนอยู่ที่มืดเห็นลิบต์หลียงได้บินออกไปเหมือนไฟ a อซีดีซตามบ้านเรือนของประเทศที่พัฒนาแล้ว บ้านแต่หลังเขามีไฟดีซีไฟแบตเตอรี่แม้แต่ไฟฟ้ามันตับก็มีดีซีที่มีแดงๆบอกทิศบอกทางถ้าเกิดเมืดอดอกไปได้ก็ น, นอบองไฟดีซีที่มันแดงๆไปนั่นแหละทางแม่มันลิบหลีกก็ไปเถอะจะมีทางออกตรงที่มันบอกไปบอกไปเอ อย่าปิดอย่าไม่ศึกษาอย่าไม่ใส่ใ จ, าาใจการที่ใส่ใจในการช่วยตัวเองเนี่ยมันถือว่าเป็นกันลยาณมิตรกับตัวเองเนี่มันมีคนช่วยกว็เป็นกันลยาณมิตรกับตัวเองให้ได้อยอมเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ยยอมที่ม่ทุกข์ยอมที่มีสุขยอมที่มันหลงมันอะไรต่าง มันมีรถนะโลกเนี่ยอยู่ในตัวเราก็มีรถอยู่ข้างนอกตัวเราก็มีรถเ้าชนแล้วเสิร์ฟสูบทุ ก, กเกิดเกเจ็บทายมันเป็นรถต่อย่างที่เราสาธิตยายประจุพระอุรานะสาเสนีสาวกรูเรื่องใดพระเจ้าสอนเรื่องได้แล้วก็สาธิติยายไปแล้วอะไร ไอเกณฑอยู่โูกไม่เที่ยงเบิดธนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงตั้งขานวิญญาณไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไปเกิดขึ้นแล้วเจ็เจ็บตายไปเราทําอะไรตอนเนี้บอกให้มันเป็นอย่างนั้นหรือบอกให้มันไหลไปงั้นหรือแล้วก็หมดไม่ได้ประโยชน์ ความหลงเป็นความหลงไม่ได้ประโยชน์เขาก็เลยเคยชินเดินทางใช้ชีวิตเราเป็นผาที่พ่านเป็นที่รับใช้ความหลงความโกรธเป็นความโกรธให้ได้เขาได้ใช้ชีวิตของเราเพื่อรับใช้ความโกรธความทุกข์เป็นความทุกข์รับใช้เป็นเช่นนั้นอะ่ะมันอะไรชีวิตเรามันก็อะไรคือชีวิต มีลมหายใจมีเดินได้ไม่ใช่ชีวิตแบบเนี้ยชีวิตเพื่อเราใช่ความหลงความโกรธความทุกข์มันจะมีค่าอะไรไมหรือว่าไม่ได้ใช่ใชเขาเอาไปใช้ความแก่เอาไปใช้แล้ววันนี้ความเก็บจะเอาไปใช้ความตายก็จะเอาไปใช้ชีวิตมีอยู่เพื่อแก่เพื่อเจ็บ เ, เ, เพื่อตายเท่านั้นเองหรือชีวิตเรานะ่ะ มีพุทธศาสนาบวชออกบวชจากบ้านจากเดือนทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งพ่อทิ้งแม่มาสร้างวัดสร้างวาหมดเท่าไหร่มันจะได้ประโยชน์อะไรถ้าเราไม่ศึกษาก็จะสูญเปล่าสูญเปล่า ตัวที่สุดก็บอกฉันไม่ได้อะไรเลยเห็นว่าทำไเพี้ยนฉันคนตายบะฉันไม่ได้อะไรเลยฉันเกิดมาก็มือเปอ่าฉันก็ต้องไปมือเปล่าเอาดอกไม้ใช้ให้กั บ, กบอเอาเงินใช้ให้กับอ ผมช่วยปิญญาเจนในปากเต็มปากคอรออยู่เอาไปเ่าไฟมันก็ไปเคี่ยวอีกเอาใส่เงินในปากไอแม่กูสิบบาทได้ละบาทนึงยั่เข้าวาทเคี่ยวจนปิดเลยว่าไรบาทเลยอะไรที่เราเราผมใหญ่ชีวิตของเราเนี่ย เริ่มต้นจา ม, มันหลงฝักแห่ง่วาม่หลวงนน่นจงไปจงมาถึงที่ไม่มีนม้ำจากที่ไม่นม้ำหลงเป็นโอคาห้องน้ำขึ้นฝั่งไม่หลงทุกห้องน้ำไาวขึ้นฝั่งไม่ทุกขนส่งตัวยางไงจาจ้าคือขนส่ง ให้พุจอกพิษภัยต่างๆให้มันอิสระนี่คือมนุษย์เป็นจัดประเสริฐมันขึ้นได้มันหลงไม่หลงได้คือมนุษย์ก็หลงเป็นหลงเป็นคนก็เป็นคนแบบนี้ไปตกนรกมากเท่ากับขนโขกก็หลงเป็นไม่หลงไปสวรรค์มากเท่าขนโขก มันก็ไปแค่นี้เองมีพิดมีถูกทัวนี้มีหลงมีไม่หลงมีทุกข์มีไม่ทุกข์มีเกิดมีไม่เกิดมีเจมีไม่เจ่มีเจ็บมีไม่เจ็บมีตายมีไม่ตายแล้วก็ได้ยินว่าเป็นอย่างนี้แต่เราฝึกขัดหมเรื่องนี้ถ้าทำไม่เป็นแล้วก็เก็บไม่เป็น แก่ไม่เป็นตายไม่เป็นเราจะหัดตอนไหนหรอเฮ้ยเวลาที่มีชีวิตอยู่ปกติเราหงัดบ้างไหมซ้อมไหมไหมฝึกไปไหมทําเป็นไหมตายก่อนตายเป็นไหมเจ็บก่อนเจ็บเป็นไหมไหนเราก็ไม่หัดก็เลยทําไม่เป็น บริสุทธิหลงมากที่สุดเวลาเก็บเวลาแก่ก็หลงมากเวลาทุกข์ก็หลงมากเวลาตายก็หลงมากถ้าลงงดนั่นล่ะเวลานั้นจะเป็นศิลปะจะเป็นศิลปะโชเลยหมดโชเป็นส่วนตัวที่สุดแล้วไว้นั้น เวลามันจะตายเป็นส่วนตัวคนอื่นไม่เกี่ยวข้องเรามันโชว์ผีบมืองมันก็จะแดงได้ตนนั้นเพราะมันทำเป็นแล้วทำเป็นตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆอย่ารอให้เท่าไหร่เจ เวลาเจ๊แล้วก็ต้องรีบบวนเลยนี่ไม่ต้องไปทำมาหาจีนปานนี้ทางหลงทางเขาเอากันแล้วเพื่ออะไรเพื่อเราเราทำยังไงเวลาเนี่ยเล่นอยู่หรือไปมาอยู่หรือมันก็ไม่ดีถึงเวลาเจ็ดโงครึง่งเขาตีะระฆังไปแล้วมีสีติร้อยเพเชไปเอามาจีน เดยที่อาจารย์เราสินต่อสละอีกจะมีมาอีกไหมเนี่ยเราไม่ไม่ได้ไม่ได้โทษแท้เดนที่ช่วยค น, นเหลี้ยงคนทั้งโลกอมบันนันวะแตกของสลดเกียงเหลี้ยงคนทั้งโลกคิดปันนันเราละขาสองแขนสองเท่าเนี่ย ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคิดไว้อย่างนี้ไม่จนเรื่องนี้ไม่กแมก่ เ, เรื่องนี้ไม่เจ็บไม่ตายเยื่องนี้ไอช่วยกันเถอพวกเราเป็นกัน ร, ระยะนัดมิกรกันระยะนานธรรมน่าเป็นกัน ร, ระยะมิตรเป็นกัน ร, ระยะนานธรรมเยไม่มีวันที่จะทะเลาะวิวาทกันเลยแต่เป็น ลาดถ้าสายโลหิตยังทะลาะว่ากันยังฆ่ากันได้ถ้าเป็นกรรยาณธรรมกรรยาณมิตรแล้วมันมันเป็นไปมันได้มั่นคงผู้มีความเกิดก็พ้นจากความเกิดผู้มีความแก่พ้นจากความแก่ผู้มีความเจ็บพ้นจากความเจ็บผู้มีความตายพ้นจากความตายเป็นทั้งหมดของพมจร์ โอ้เจ้าได้สอนพระอนน์ดังที่เราสาธยายประสูตินี้มีหลักฐานแบบนี้เรามาใช้ดูแล้วก็ใช้ยอมรับ1 0อยเอร์เ็ไม่ละทิ้งในยามวิบัติเราชีอยู่ด้วยกันไม่ร่วงเกินจิตใจให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อน เราลักโุกเราก็ลักสุกเขาเกียดทุกเราก็เกลียดทุกเห็นตกเห็นใจกันเอาช่ให้คนอื่นเป็นทุกข์ให้ความโศกของเราไม่ใช่แบบนั้นไม่เอาเปรียบเสียสละเสนอตัวเราทุกคนอื่นเป็นเรื่องของเรา ปัญหาคนอื่นเป็นเรื่องของเราจะเหนอเราเข้าไปไม่ท้อถอยไม่น่าใจไม่เหิดแห้งเรียกว่าเรียกว่าจิตตะเอาใจใส่ด้วยเหตุด้วยผลดูตนรูปคนอื่นรูปประมาณรูปการรูปเวลารูปธรรม รู้บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรก็คือการลยานธรรมการลยานมิตรฝากฝีฝากไข่โตกันได้ตามความสำหรัดตามกำลังของพวกเราเป็นศาสนาทายาท เป็นครอบครัวหนึ่งเพราะพระพุทธเจ้าเป็นบิดาเพราะทำไว้ไหนเป็นมารดาขอเถอะว่าเราก็เป็นลูกซะเดกกันมีแต่พี่แต่น้องกันมันก็จะสะดวกใ น, นการทำความดีไม่ตันนีไม่เห็นเจิดตัว แล้วก็จะได้ทำความดีได้สะดวกตอนมีอะไรมันถนอ ม, มนรักษาไว้ไม่เสียฉลาดเราจะเขาเปรียบว่าลับโกคนอื่นจะเงนินจะได้ดีมันก็มันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้เคยการสะดวกผู้ที่จะได้บรรลุธรรมคือทำไปแบบนี้ให้มันหลายหลายทาง หลายหลายแหล่เสริมแหล่เข้าไปลหลายอย่างทธาพละวิ ร, ยริยะผละในทตหไม่พอต้องมีความเพียรมีจิตใจติดตัยห้อยตามมีสัจจะมีสติมีปัญญา ในความหลงให้มีปัญญาในความโกรธความทุกข์ก็ให้มีปัญญาเรียกว่าปัญญามันเป็นวงเล็บปิดวงลิฟต์อะไรมันลองอยู่สุดท้ายนะอะไรอะไรมันลงท้ายด้วยปัญญานะถ้าไม่มีปัญญาลงท้ายมันมหาหางรดวด ถ้มีปัญญาลงท้ายในความหลงมีปัญญาวงเล็บไปในมีความไม่หลงปัญญาในปัญหามีปัญญาวงเล็บไปปิดท้ายไ้ก็มีปัญญาสุดทางอยู่ท่านั้นชีวิตเรานำตัวเองไปให้ถึงปัญญารู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักกรมานรู้จักตูตนมองตนเตือนตนแจ้ไขตน อย่ามืดอย่าทือย่าปึกอย่าหนาหลงเป็นหลงปุถุชนปึกหาสาอโหดสอนไม่ได้ตัวเองเท่เตือนตัวเองไม่ได้ตัวของเราเองติเตือนตัวเราเองโดยฉินได้หรือไม่ รู้เคยควรแล้วติเตือนเราได้ดยสินหรือหม่นั่นก็สอนไปได้ก็มีแต่ไม่มากนะแต่ยกมือขึ้นรู้จึกตัวนั่นและหน่อโพธิสอนได้แล้วสอนตัวเองให้มันรู้เวลามันหลงสอนตัวเองให้ไม้หลงเนี่ยนี่คือฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขตุนเอง เขก็จะดีขึ้นจะเิญถึนถ้าไม่ผึกัดก็เสื่อมลงเสื่อมลงแก่เพราะเขาอยู่นานไม่ได้แก่เพราะความรู้ดังอาจารย์พุทธตสว่าคนจะงามงามที่น้ำใจไม่ใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยที่จันรยาไม่ใช่ตาหวาน ก็จะแก่ๆ เ, เพราะความลูกไม่ใช่อยู่นานเขาจะรวยรวยเพราะสินเพราะทานไม่ใช่บ้านหลังใหญ่ๆโตๆไม่จนสินทานไม่จ น, ไ, จนไปถึงปัลลโลกนี่วันนี้มีไหมถ้าวันนี้ไม่มีพรุ่งนี้ก็ไม่มีละ อย่ารอคอยพวกนี้บังลมลมแรงๆต้องเดี๋ยวนี้ปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัฏฐตตะวิปัสสติเนี่ยพวกพูนปัจจุบันอาไว้ยอดีที่ล่วงไปแล้วผ่านไปแล้วอาไรเขาวงถึงอดีตคิดถึง อดีตที่ผ่านไปแล้วด้วยอะไรพระวงศ์ถึงอนุเคราที่ยังไม่มาถึงฮิตมันใช่อะไรไม่ได้ <c oughs> อาลัยมาลัยพระมาลัยไม่ใช่พระอาลัยพระมาลัยทัวสวรรค์ทัวนรกประนามข่าวสวรรค์ ไปบอกพวกสันนลุกน้าข่าวพวกสันนลุกไปบอกพวกสวรรค์เขาทุกตอนงานแบบนี้เขาทําอะไรมาสันนลุกมันจะบอกเราไปทําบาปทํากรรมอย่างนั้นอย่างนี้เลยมาต้องรับบาปรับกรรมปะมาอะไรก็บอกเมืองมนุษย์ษยให้ให้ระวังเออสนน ล, ก, ลกเขาเป็นอย่างนี้อ่ เรียกว่ามาอเลยในอาเลยไม่มีอาเัยเรียกว่ามาเลยคนมาได้ช่วยคนได้แล้วหวังอาโลกกับมนุษย์มีมนุษย์เท่านั้นที่จะมีะมนุษย์เท่านั้นที่จะที่จะไปสวรรค์นิพพานได้เทวดาก็ไม่ต้องไปต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจึงจะไปสวรรค์นิพพานได้ นี่เรามาอยู่ที่นี่นั่งอยู่นี่เป็นมนุษย์แล้วสมบูรณ์แบบฝึกกรรมาฐานได้ไหมมนุษย์และเนี่สิทธิร้อยเปอร์เนที่ต้องเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธเปลี่ยนทุกข์เป็นทุกข์นี่คือมนุษย์ต่มีหลงอยู่นั่นแหละให้มันเปลี่ยนมันเถอ ะ, อะมนุษย์แล้วแล้วประเสริฐแล้วถ้าหลงเป็นหลงไม่เปลี่ยนเป็น เป็นอับบายไปแล้วไม่ใช่มนุษย์แล้วกินข้าวเสียข้าวใช้ผ้าสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างน้ำใช้ไปฟรีเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยประโยชน์มันอยู่ที่ไม่ใช่ประโยชน์ ความหลงไม่ใช่ประโยชน์หรอกมีแต่ผิษแต่โทษความทุกข์ไม่ใช่ประโยชน์มีแต่พิดแต่โทษเปลี่ยนมาซะอย่างนี้ล่ะมันก็เป็นประโยชน์ถ้าทาได้เก้าที 2, ่หนึ่งเก้าที่สองเก้าที่สามไปของง่ายไปละวบิดจะดูดไปจับเส้นทางได้เคยชินชํำนิชําดางง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวนันจะยากอะไร บางคนยากมากนะเอาทะเล ก, ก็ไม่ขึ้นนะเฉินยากเหลือเกินบางคนนะแล้วก็พยายามที่ช่วยอยากช่วยจริงๆนะถ้าใครมีทุกข์นะมาเถอะมาเถอะมาที่นี่มาหาเรื่องทุกข์อะไรมาที่นี่ทุกใจนะมันไม่ต้องทุกข์เปลี่ยนได้อยู่ไม่ทุกข์ก็มี ไม่ต้องมาก็ได้ถ้าบอกแล้วเนี่ยเหมัอนอยู่ที่ไหนเลยทุกอย่อยู่ที่ใจเราเราอยู่ที่ไหนเละอยู่ที่ไหนก็ทุกข์เปลี่ยนได้เลยบนถนนน้นทางบนรถมือบนที่รุ่งที่โดนที่สูงที่ต่ำที่บ้านที่วัดที่ป่าที่ลูงเปลี่ยนได้ทั้งนั้นผู้มีสติจะอยู่ที่รุ่มที่โดนที่บ้านที่ป่า ทีนน่นั่นก็เป็นที่น่าลื่นหลงแต่ผู้มีสติอยู่ประสาทราชวางังก็ไม่น่าลื่นหลงมาเลยหลอพระพุทธเจ้ายังสรเสริญบุคคลผู้มีสติอยู่ที่ไหนก็ตามคาไมวายะทิเวนันวานันเดวาท่เววารัตตะาหันตังภูมิลอมมาไลยกังผู้มีสติปัญญาอยู่ที่ใดก็ตาม ที่ร่มที่ดอนที่น่านที่ป่าที่บ้านที่ไหนนั่นๆเดนอยวเป็นที่น่าหลงของอุคโคนเช่นนั่นจะทำํำไมชีวิตเราเราต้องสร้างแบบนี้นขึ้นมาเพื่อ <c oughs> <c oughs> ให้ใได้ใช่สะดวกจะมีหนึ่งวันนาทีหนึ่งก็สะดวกแต่เรื่องนี้อย่าให้มันติดอะไรได้ยินบไหะ อ่าค่าฮา่าฟองกันนะ